บุกทูหกสิบหกอะไรไม่รูสัพพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งสัมบันิบ่ได้กสัพนามาลไรบกติดีฉันของดีฉันนี่โน้นาดีนา่า ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบน้ากนาตาลาลูการณบัตรรถเลยดดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบน้ากูนาติ켓การณบัตรรถเลยดูคุณของคุณนุวู้มีดูนีดีมีดีคุณหากุญแจของคุณเจอไหม มีต่าลาลือมีกุกันบัดไดอะคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมมีติกเก็ตมีกุกันนาบดนด้เขาของเขาอัตโนอัตนตนดีคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนอัตน่ตาลม่ยักกระดุมตัมีกุติลซะ คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนอาเธอ น, นีตั๋วที่เอ็กรวนมีกุเทลซะเธอของเธออ๋ม่อามดีเงินของเธอหายอาม๋มดับบลูโปอินดีบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยมาริโออมเครดิตการ์ดกูดาโปินดี เราของเรามนะมูมานะคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายมานตาตะการิกีวุ่นโลบาเลดูคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีมานะบามมะน้อยน่ะมะอามม่ากุลาสากาวดิ คุณหนูของหนูนูวูมีรูนีดีมีดีเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนปิลเลลูมีนาเนาื้อกะเรียกระดุบหนารอเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนปิลเลลูมีอามหมายกะดุบอันดี